รวมสิกขาบทที่มีในสหธรรมิกกวัคสหธรรมิกวักที่สิสองสิกขาบทคือ 1. สหธรรมิกกสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวตักเตือนผู้ร่วมประพฤติ ธ, ธรรมโดยชอบธรรม 2. อวิเลขณะสิกขาบทว่าด้วยความยุ่งยากแห่งสิกขาบท 3. มโมหณะสิกขาบทว่าด้วยการทําให้ผู้อื่นหลง 4. ปหาระสิกขาบทว่าด้วยการทําร้ายเพื่อนภิกษุ 5. ตะละสติกะสิกขาบทว่าด้วยการเงื้อหอคือฝ่ามือขึ้นทําทีท่าว่าจะทําร้าย 6. อมู ล, ละกะสิกขาบทว่าด้วยการใส่ความด้วยอบัสสังคาธิเศษที่ไม่มีมูล 7. สัน จ, จิตจสิกขาบทว่าด้วยการจงใจก่อความรําคาญ 8. อุปัสสุติสิกขาบทว่าด้วยการแอบฟังภิกษุทะเลาะกัน 9. ก้ารรมะปฏิภาหะสิกขาบทว่าด้วยการคัดค้านกรรมที่ทําถูกต้อง10 ฉันทะอาทัตตวาคมณนะสิกขาบทว่าด้วยการไม่ให้ฉันทะแล้วไปเสีย 11. ทัพภาสิกขาบทว่าด้วยการถวายจีวรแก่พระทัพภามรรบุตร12ปรินามณนสิกขาบทว่าด้วยการน้อมลาบที่เป็นของทรงไปเพื่อบุคคล